มันก็ได้แค่ปัจจุบันอ ย, อ, ยอย่างวันนั้นที่พระอาจารย์เดินอยู่ตอนตีสะะี่ค่ะแล้วก็มีช่วงเชื่อมต่อที่ฝนตกแล้วน้ำขังมากก็ดูเหมือนน้ำน้อยๆก็แบบผ้ามาถูะคะ่ะเอ๊ะเราก็ว่าน่าจะถูแค่หน่เดียวมันก็น่าจะหายถูครั้งแรกก็บีดน้าที่ที่ผ้าก็น้ำก็ออกเยอะถูครั้งที่สองก็ยังออกเยอะอยู่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 หนูก็ยังไม่แน่ใจตัวเองนะคะหนูหนูว่ามันเบาเบาลงแต่ว่าไม่รู้ว่าจากจากจากเมื่อก่อนนี้มันหนูว่ามันดีขึ้นนะตอนนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ต้องพยายามต่อไปคิดอยู่อย่างคือว่าเราเราหวังผลเราเราไม่ได้แต่พอที่มันจะได้ก็คือไม่ต้องหวังนะ คือไม่ต้องหวังร้อ้ความตั ว, วตนี้คือที่บอกว่าของดีๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วความสบายมันมีอยู่แล้วแล้วไปหวังมันทําไมแต่เราต้องทําให้เป็นตัวนี้สําคัญนะในชีวิตจริงของเราพูทีเจ้าตรงนี้ใช่ๆคําว่าสันโดษคือคือพอใจในสิ่งที่โนมียินดีในสิ่งที่รนได้ถ้าจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสํารวจดูดดให้ดีนะความสบา ย, ายาลายการร่างกายของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วระดับหนึ่ง